พัฒนาคนได้ด้วยการพัฒนาความต้องการของเขาเท่าที well ่กล่าวมาทั้งหมดนี้เท่ากับเป็นการเสนอหลักการอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาว่าคนเหล่านี้โดยธรรมชาติย่อมมีแรงจูงใจทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วซึ่งพร้อมที่จะนำออกมาใช้ได้การกระทาที่ดีงาม กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์ตลอดจนการบรรลุจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยแรงจูงใจฝ่ายดีที่เรียกว่าฉันทะทํานองเดียวกับที่การกระทำความชั่วและกิจกรรมที่ก่อปัญหาสร้างความทุกข์ทุกอย่างย่อมถูกกระตุ้นด้วยตัณหาที่มีอวิชชาเป็นมูลรากดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกระบวนการฝึกอบรมสั่งสอนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมหรือชื่ออื่นใดก็ตามที่จะต้องช่วยให้บุคคลปลุกฟื้นความต้องการที่เรียกว่าฉันทะขึ้นมาเป็นพลังชักจูงการกระทำและนำชีวิตไปสู่จุดหมายที่ดีงามซึ่งอํานวยประโยชน์สุกที่แท้จริงทั้งแก่ชีวิตเองและแก่โลกที่แวดล้อมอยู่ถ้าสร้างฉันทะ คือความรักธรรมหรือความฝ่ดีนี้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับตันหาที่อยากได้อยากปรนเปรอตอนเองนั้นไม่สำเร็จก็หวังได้ยากนักที่จะแก้ไขกระจัดปัญหาความชั่วร้ายนาน า, นานในสังคมปัจจุบันหรือจะทำงานพัฒนาที่ดีให้เป็นผลเพราะใจคนพร้อมที่จะไหลไปตามตันหาอยู่แล้วการจะใช้แต่พลังฝ่ายลบมาหักห้ามเช่นบอกว่าอย่าทาผิดศีลอย่าละเมิดระเบียบ เป็นต้นหาเพียงพอไหมเพราะแม้แต่การรักษาศีนั่นเองขาดฉันทะซิแล้วก็แทบจะทําไม่ไหวฉันทะที่เป็นพลังฝ่ายบวกด้วยกันแต่เป็นปฏิปักษกันกับตันหานี่แหละจะเป็นตัวยับยัง้งข่มและปราบตันหาที่ได้ผลเป็นกุญแจสําหรับที่จะไขความสําเร็จในการแก้ปัญหาความชั่วร้ายทั้งหลายและช่วยให้ก้าวหน้าไปในกุศลธรรมได้สําเร็จ ผ้าเด็กรักความสะอาดเรียบร้อยเสแล้วก็ยากนักที่เขาจะตามใจตันหายอมทิ้งขว้างเศษของลงอย่างมักง่ายถ้าเขาทําอะไรเประเปื้อนก็ยากนักที่เขาจะยอมปล่อยให้ที่นั้นเลอะเทอะอยู่ต่อไปหรือแม้แต่คนอื่นมาทําเปื้อนเปรอะไว้ก็ยากที่เขาจะต้องรอสัญญาให้ได้รางวัลก่อนจึงจะทําความสะอาดฉันทะอาจกลายเป็นปัจจัย ซึ่งทำให้คนดีมีความทุกข์ได้ถ้าเขายังเป็นปุทุชนที่ยอมให้ความยึดติดถือมั่นรอบงำจิตใจและอาจให้เขาก่อการรุนแรงเสียหายขึ้นก็ได้ถ้าเขายังมีสติปัญญาไม่เพียงพอและตกอยู่ใต้อำนาจของความยึดมั่นแต่ฉันทะเป็นพลังสำคัญที่จะให้เริ่มก้าวหน้าไปได้ในกุศลธรรมจึงจำเป็นจะต้องปลุกฟื้นขึ้นอย่างรู้เท่าทันส่วนโทษทั้งสองแง่ ที่เกิดจากความเป็นปุตุชนนั้นมีทางหลีกเลี่ยงและแก้ไขได้ดังจะศึกษากันต่อต่อไปถ้าธรรมฉันทะหรือกุศลฉันทะมีกำลังแรงกล้าก็ย่อมข่มกำลังตันหาได้ในทางร้ายความริษยาทาใหเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ที่จะไม่กีดกันหรือทำร้ายไม่ได้ฉันใดในฝ่ายดีด้วยกุศลฉันทะ ถ้ายัางไม่บรรลุความดีงามสูงสุดก็ทนหยุดนิ่งเฉยที่จะไม่ทําให้ดีไม่ได้ฉันนั้นเมื่อฉันทะมีกําลังแรงกว่าตันหานักเรียนนักศึกษาทั้งที่ว่าตนค้นคว้าเขียนคําตอบเพียงเครื่องแรงก็พอที่จะสอบผ่านได้คะแนนดีแต่กลับเพียรขนขวายให้เข้าถึงความรู้แท้จริงหรือรวบรวมความรู้ให้ได้มากจนสุดกําลัง พ่อค้าทั้งที่ผลิตของออกจําหน่ายอย่างนี้ก็พอที่จะบังตาลูกค้าให้ถูกใจขายได้กําไรดีแต่กลับพยายามทําสินค้าของตนให้ดีด้วยคุณภาพแท้จริงข้าราชการหรือคนทํางานทั้งที่ทํางานเรื่อยๆก็พอจะได้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างสบายแต่กลับมุ่งหน้าทํางานให้สำเร็จผลอย่างดีที่สุดแห่งหน้าที่ของตน เพื่อนร่วม ง, งานหรือผู้บังคับบัญชาเมื่อผู้ร่วม ง, งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตนสร้างผลสาเร็จที่ดีขึ้นได้ทั้งที่เกิดความริษยาตามธรรมดาของผูุ้ชนแต่กลับช่วยกันส่งเสริมประกาศเพื่อให้ความสาเร็จนั้นเป็นประโยชน์กว้างออกไปแก่ส่วนรวมหมายเหตุเชิงอัดตัวอย่างพฤติกรรมเนื่องด้วยตันหาและฉันทะต่อไปนี้ หากชี้แจงขยายความไว้ก็จะยืดยาวกินเนื้อที่มากจึงเพียงเสนอเป็นข้อสำหรับพิจารณาบางคนชอบเรียบร้อยเพราะอยากหรูหราแต่บางคนชอบเรียบร้อยเพราะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีอย่างแรกเป็นแรงจูงใจเกิดจากตัณหาความอยากหรูหราเป็นเพียงเงื่อนไขให้ต้องการเรียบร้อยจึงทำให้ฉาบฉวยผิวเผินเกินพอดี และอาจก่อปัญหาได้มากมายส่วนแรงจูงใจในกรณีหลังเป็นธรรมชนตะคนทำการด้วยตัณหาคอยห่วงจะเอาชนะคนคนทำการด้วยฉันทะมุ่งแต่จะเอาชนะงานคนทำงานด้วยตัณหาทำมือหาใหญ่โตเมื่อเริ่มต้นพอหายโช่งช่างตื่นเต้นก็ซบเซา ร, รามือหรือลักกะปิดลักกระเปิดคนทำงานด้วยฉันทะ ทำจริงจังยั่งยืนจนเสร็จคนหนักในตันหาเอาแต่สนุกสนานเฮฮาอยู่ไปวันวันซึ่งกรณีนี้อาจมีปัจจัยซับซ้อนเช่นเอาความรู้แนววิปัสสนามาเป็นข้ออ้างคนหนักในฉันทะสามารถคิดการทําการเพื่อผลดีงามระยะยาวซึ่งกรณีนี้อาจมีปัจจัยซับซ้อนเช่นถ้ามีฉันทะมาก เมื่อตัณหาก็าเป็นปัจจัยหนุนก็อาจยิ่งวางแผนใหญ่โตตัณหามักง่ายฉันทะไม่กลัวยากคนมีธรรมฉันทะใคร่รู้ข้อบกพร่องของตนและกิจของตนยินดีปรีดาที่ได้รับรู้รับฟังเพราะได้เครื่องชี้ช่องที่จะปรับปรุงตนและกิจของตนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างน้อยก็ได้แง่ที่จะตรวจตราให้มั่นใจในความสมบูรณ์นั้น ส่วนคนหนักในตันหามัวห่วงความมั่นคงยิ่งใหญ่ของภาพตัวตนจึงคอยรับแต่ความกระทบกระเทือนบีบคั้นและวุ่นวายกับการปกป้องตัวตนนั้นเสียไม่ได้ประโยชน์จากคำตำหนิวิจารณ์ตันหาทำให้มักง่ายในวิธีการตนจะได้สำเร็จไม่ว่าด้วยวิธีชั่วร้ายไร้ธรรมะอย่างไรเอาทั้งนั้นส่วนคนมีธรรมฉันทะ นอกจากต้องฉลาดในวิธีการแล้วยังต้องให้วิธีการนั้นชอบทำด้วยการใช้ธรรมชนทะจึงต้องการสติปัญญาความสามารถเหนือกว่าปกติเด็กบางคนเครื่องใช้ของเล่นเสียทั้งที่มีเงินเกินพอที่จะซื้อหาของใหม่แต่นั่งแก้ขายอยู่นั่นแล้วผู้ใหญ่ไม่พึงมองเพียงในแง่ความประหยัดความประหยัดอาจเป็นเพียงปัจจัยประกอบ สิ่งสาคัญคือนั่นอาจเป็นเครื่องแสดงถึงธรรมชนทะเด็กต้องการให้สิ่งที่เข้าเกี่ยวข้องเป็นไปในภาวะดีงามสมบูรณ์อย่างน้อยก็อยากรู้ความจริงพึงส่งเสริมให้ถูกเป้าผู้มีธรรมันทะพึงระวังทางผิดพลาดที่สําคัญสองอย่างคือหนึ่งปล่อยให้ตันหาเข้ามาแทรกสวมรับ หรือชิงเอาบทบาทไปทำแทนหรือต่อจากฉันทะเช่นแก้ไขอะไรไม่สำเร็จแล้วเสียใจว่าตนไม่เก่งซึ่งตัวอย่างนี้อ่อนๆไม่เลวร้ายทางผิดพลาด ท, ที่สำคัญของผู้มีธรรมฉันทะข้อที่สองคือขาดความรู้หรือไม่แสวงปัญญาผู้รักธรรมจะต้องรู้แน่ชัดด้วยว่าอะไรเป็นธรรมมิฉนั้น อาจทำการผิดพลาดได้ความรักธรรมและความรู้ธรรมต้องมาด้วยกันจึงจะทําความจริงความถูกต้องดีงามที่ประสงค์ให้สําเร็จได้ข้อนี้ช่วยเน้นหลักการใหญ่ของพุทธธรรมที่ถือปัญญาเป็นองค์ธรรมหลักในมรรคาแห่งการพัฒนาชีวิตผู้ปกครองทั้งที่รู้ว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนไม่มีความรู้ไม่มีโอกาสในเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ ตนจะเสวยผลประโยชน์มีฐานะมั่นคงอยู่นิ่งเฉยอย่างสุขสบายแต่เพราะเห็นแก่ความดีงามสูงสุดและความเจริญงอกงามของราษฎรกลับขนขวายให้ความรู้และโอกาสที่สมควรแก่ประชาชนคนผู้อยู่ในฐานะจะเอาเปรียบได้ก็ไม่ยอมเอาเปรียบผู้ที่ได้เปรียบเขาอยู่ก็ไม่ยอมนิ่งเสวยความได้เปรียบอยู่เฉย ที่เป็นเช่นนี้เพราะกลัวเสียธรรมมากกว่ากลัวเสียผลประโยชน์ตรงข้ามกับตัณหาซึ่งยอมเสียธรรมดีกว่ายอมเสียผลประโยชน์เพราะธรรมชันทะนี้แหละจึงทำให้พระโพธิสัตว์ทุ่มเทพระองค์ยอมสละชีวิตบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ และเพราะรักโพธิญาณมุ่งหมายเด็ดเดี่ยวต่อสัจธรรมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงสละความสุขสำราญในราชสมบัติเพียนฝ่าความเป็นอยู่ที่ยากลำบากบำเพ็ญโพธิมรรคาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า